สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคำกฎที่9ครับก็คือกฎแห่งการขานรับกฎแห่งการตอบรับกฎแห่งการตอบสนองพี่น้องครับเรามาถึงวันนี้ประเด็นที่7พระเจ้าทรงให้คนที่ขุดหลุมพรางตกลงไปในหลุมพรางของตนเอง พรจะนะัของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ใน3ข้อด้วยกันครับสดุดีบทที่ 7: จ็ข้อสิเขาขุดหลุมพรางไว้และตกลงไปในหลุมที่เขาทําไว้นั้นโปรดฟังอีกครั้งครับสดุดีบทที่ 7: จ็ข้อสิเขาขุดหลุมพรางไว้และตกลงไปในหลุมที่เขาทําไว้นั้นอีกข้อหนึ่งครับสดุดีบทที่9ก้ข้อสิ บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมซึ่งเขาทาไว้นั้นบรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่เขาทำไว้นั้นในสุริบทุที่35ิข้อที่เเพราะเขาเอาขายช่อนดักฆ่าปรงไว้อย่างไม่มีเหตุเขาขุดหลุมพรางเอาชีวิตฆ่าปรงอย่างไม่มีเรื่อง ขอให้ความพินาฏมาถึงเขาอย่างไม่รู้ตัวและขอให้ข่ายซึ่งเขาซ่อนไว้นั้นติดเขาเองและเขาติดข่ายพินาฏเองแล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปรมปลีในพระเยาวาและลิงโลดอยู่ในการช่วยให้รอดของพระองค์พี่น้องคับพรกกัมพีทั้งสามข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ของเราทั้งหมด เราซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเราจะต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราและเราจะต้องผ่านมันให้ได้พระเจ้าได้ให้ศัตรูบางครั้งเขาก็ได้มีโอกาสที่จะชนะเราในหลายๆลครั้งทีเดียวเมื่อเราอ่อนแอเมื่อเราท้อใจและเมื่อเราอยู่ในความผิดบาปศัตรูนั้น ก็ชนะเราแต่ศัตรูนั้นไม่ได้มีชัยเหนือเราพี่น้องครับคำว่าชนะในการต่อสู้กับมีชัยในสงครามนี้มันเป็นคนละเรื่องราวกันครับการชนะในการต่อสู้ภาษาอังกฤษจะคลาว่า battle มันเหมือนกับนักมวยครับยกนี้เธอชนะฉันยกนี้เธอชนะฉันแต่สุดท้ายฉันน็อกเธอได้ น, นั่นคือ war ครับ คือมีชัยชนะในสงครามจึงมีคำภาษาอังกฤษบอกว่า lose the battle but win the war ก็คือว่าเราอาจจะแพ้ในสงครามเล็กหรือในการตอบสู้บ้างแต่ว่าเราจะชนะในสงครามใหญ่ครับและเป็นสงครามสุดท้ายพี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนก็เป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเองนั้นจะต้อง ไม่ทำสองอย่างครับก็คือ 1. เราจะต้องไม่ตกในหลุมพรางของศัตรูที่ดักเรา 2. เราจะต้องไม่ขุดหลุมพรางให้คนอื่นและไปดักคนอื่นพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าบางท่านก็อาจจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันมีหลุมพราง14ประการครับเป็นอย่างน้อยพี่น้องครับผมจะใช้เวลา ในเช้าวันนี้ที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับ14หลุมพรางของคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้าน่ได้นำมาจากบทความของท่านอาจารย์ธวัฒเย็นใจครับประการแรกก็คือความเฉื่อยชาหรือว่า indifferent ความเฉื่อยชา indifferent นั้นก็คือสภาวะการที่ไม่อยากสนใจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่แยแสหรือ ไม่อยากยุ่งไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งงานรับใช้พระเจ้าครับคนเหล่านี้หมดเรี่ยหมดแรงฝ่ายวิญญาณเมินเฉยเฉยชาและเกียดคารพี่น้องครับเราเองจะต้องระวังหลุมพังนี้หลุมพังที่สองก็คือการประ น, ประนีประนอมคอม promis มีขรนชักหรือผู้รับใช้ผู้นำขุนชักจานวนไม่น้อยครับที่ ชอบอารุ่อโลยยินยอมอ่อนอ่อนผ่อ น, อนปลนตามความคิดเห็นตามสถานการณ์อิทธิพลทางด้านการเงินหรือความคิดของคนเก่าคนแก่ความเกรงใจนี่เองครับทำให้บุคคลดังกล่าวคงมีอิทธิพลและเพราะความเกรงใจนี้จึงทําให้บางครั้งผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นไม่กล้าที่จะทําทตามน้าพระทัยของพระเจ้า หรือปฏิบัติตามสิ่งที่พระกรมัมภีสอนไว้และเขาจะต้องเข้าสู่โหมดของการประนีประนอมไม่อยากขัดแข้งขัดขาไม่อยากไปเหยียบหัวไม่เท้าใครเขาเป็นเหมือนผู้เผยพระชนะยูดาห์ที่พระเจ้าสั่งให้ไปตักเตือนกษัตริย์เยเรวะอัมถึงความบาปแต่ต่อมาก็มีผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันทาการพูดจาหลอกล่อจนกระทั่งผู้เผยพระชนะ ไข้เขวและหลงจึงต้องพบกับจุดจบในชีวิตของผู้ปรวยนะอย่างหน้าอาันารอันนี้คือผลพวงแห่งการประณีประนอมครับประการที่3ก็คือความแตกแยกไม่ลงรอยกัน inconsistent เป็นไม่ได้ครับที่ผู้นา บ, บางคนของคิ้จักรจะมีคำสอนที่ดีมากแต่ความประพฤติของเขาไม่สอดคล้องกับคำสอน มีความคิดเห็นที่แตกแยกไม่ลงรอยกับคนอื่นเขาไม่กล้าที่จะกล่าวเหมือนกับเปาโล ว, ว่าถ้าทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าทำตามพระคริสต์คนพวกนี้จะสอนว่าหรือพูดว่าให้ทำตามคำสอนของข้าพเจ้าแต่อย่าทำตามอย่างของข้าพเจ้าคนพวกนี้พระกัมพีบอกว่าถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่แก่นแท้ของศาสนาไม่ยอมรับประการที่4ี่ครับ ลุ้มพลางที่4สนใจในเรื่องบันเทิงเริงรมผู้นําบางคนหรือคริสเตียนบางท่านให้ความสนใจใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มากกว่าการที่จะรับใช้พระเจ้าการที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าการที่จะเตรียมเทศเตรียมสอนบรรดาสิ่งบันเทิงเริง่มเหล่านี้ที่เรียกว่า entertainment มัน distract ครับ d i s t r a c ก็คือการที่ทําให้เกิดการหันเหการที่ความสนใจนั้นไม่ได้มุ่งไป สู่หลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าการดูแลอภิบาลลูกแก่ของพระเจ้าการทำงานรอบใช้พระเจ้าในหน้าที่ต่างๆกันมันดิสแทร t ไปหมดหมายความว่ามันเบี่ยงเบนหรือจูงเราให้ไปหาสิ่งที่ไม่สำคัญพี่น้องครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะต้องถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมครับการไปคิดสัจจานั้นไม่ใช่เป็นการแส ด, แดง หรือการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เป็นการที่เราจะต้องจะต้องมามุ่งจัดกิจกรรมโดยที่เราลืมไปว่าเราจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นกิจกา ร, รกิจกรรมของมนุษย์ที่จัดขึ้นมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ฝ่ายโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอนเตอร์เทนหรือการบรรเทิงเรืองลมและมันจูงเราให้ออกจากทางของพระเจ้า พี่น้องครับคนเหล่านี้เพิ่มพี่บอกว่ารักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าในสองทิโมธีบทที่3ข้อที่3เป็นความผิดบาปครับให้เรารักความบันเทิงเลืองลวมรักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้าประการที่5ครับหลุมพรังแห่งการรับความคิดเห็นของมนุษย์มากกว่าที่จะติดตามนมักไทยของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่12ผู้ชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องของพวกฟาริสีพวกเจ้าหน้าที่ในพระคมภี์บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่นั้นก็มีหลายคนวางใจในพระเจ้าแต่พวกเขานั้นไม่ยอมรับพระเยซูอย่างเปิดเผยเพราะเหตุกลัวพวกฟาริสีเพราะกลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะ พ, พวกเขารักการชมเชยจากมนุษย์มากกว่าการชมเชยจากพระเจ้า พี่น้องครับหลายคนก็ตกอยู่ในกับดักหลุมพรางนี้นะครับชอบการยกยอปอปั้นของมนุษย์มากกว่าความพอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวการยกยอปอบปั้นของมนุษย์ก็ฟังแล้วเป็นเรื่องที่หวานหูนะครับแปลว่าแท้จริงแล้วไม่มีความจริงปรากฏอยู่ข้างในพระคัมภีร์สอนเรานะครับเมื่อเราทํางานพระเจ้าเรา ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเทสเซียกาบทที่สองเราได้อ่านและพบว่าพระกัมภีร์พูดชัดเจนครับบอกว่าการที่เปาโลนั้นเขียนจดหมายไปถึงพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสเซียกาว่าการมาเยี่ยมของท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์ไม่จะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากน า, นานาประ ก, การแต่ว่าคําสอนของท่าน ได้มาจากเจตนาบริสุทธิ์ท่านยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกิดจากความคิดแบบผิดๆยกยอปอปั้นแฝงไว้ด้วยความโลภหรือกลอุบายเพราะฉะนั้นท่านจึงเขียนว่าอย่างนี้ครับเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าผู้ทรงชนสูตรใจเราประการถัดไปครับข้อที่6 กับดักของการยุ่งอยู่กับการทําสิ่งดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับในเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรที่เป็น b เ t t e r นะครับอย่าทำครับต้องทําสิ่งที่เป็น the best ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดผู้นําฝ่ายวิญญาณบางคนนั้นมีลักษณะของนักธุรกิจมากกว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเขาสามารถที่จะหลอกลวงและอวดอ้างว่าก็เป็นคนที่เก่งกาจ บริหารดีและสามารถฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้นําจิตวิญญาณในขณะที่เขานั้นเองต้องการชื่อเสียงเกียรติยศแสวงหาเงินทองสแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างเข้าพกเข้าห่อของตัวเองและพรรคพวกของตัวเองพียงครับจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นผู้นําผู้รับใช้คืออะไรครับพระเจ้าตัดกับโมเสศ ขณะที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานว่าคนอิสราเอลก็คือในปัจจุบันนี้นะครับก็หมายถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นประชากรของโปร่งเป็นเค่สเตียนนี่แหละครับโมเสสได้รับคำอัญชาจากพระเจ้าประชากรของพระเจ้าทุกคนนั้นจะต้องรักษาธรรมบัญญัติรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้ยำเกรงพระเจ้า ให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปรนิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าบันทึกอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมัญญาตบทที่ 10: บข้อสิบสนะครับพี่น้องครับจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกเราคืออะไรครับก็คือการที่เรายำเกรงพระเจ้าของเราดําเนินตามทางทั้งปวงที่พระเจ้าให้เดิน รักพระองค์ปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจนี่แหละครับคือ the best นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับขอพรเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องระวังในการไม่ตกหลุมพรางกับดักและเราจะต้องไม่ขุดหลุมพรางเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆด้วยครับอามน